ดูก่อนพยาช้างพยาช้างผู้เบาปาัญญาเบาปัญญาแปล ว, ว่าปัญญานิดเดียวเองนะหนักไปทางโทสะบันดาลแต่โทสะคิดอะไรเอาแต่โทสะนำหน้าไม่ใช้ปัญญานำหน้าเจ้าจงรู้ว่าชีวิตเป็นที่รักอย่างยิ่งของเจ้าฉันใดเจ้าเนี่ยสิ่งที่เจ้ารักที่สุดในโลกคือชีวิตของเจ้ามหาชนก็มีชีวิตของผู้อื่นเป็นที่รักฉันนั้นเจ้ารักตัวฉันใดคนอื่นเขาก็รักตัวฉันนั้น เจ้ากลัวทุกฉันใดผู้อื่นเขาก็กลัวทุกฉันนั้นเจ้าประสงค์จะให้เจ้ามีความสุขเช่นใดผู้อื่นเขาก็ประสงค์ให้เขามีความสุขเช่นนั้นเจ้าจําจําอันนี้เอาไว้ให้ดีนะว่าเขาก็รักตัวเหมือนเจ้านั่นแหละแล้วงดเว้นจากปานาธิบัติไว้อย่างเด็ดค่ะสัตว์ทุกตัวเขารักตัวหมดเลยแม้กระทั่งสัตว์ที่กําลังจะถูกฆ่าในป่าในเขาใช่ไหมมันพิการมันก็ยังดิ้นรนกระเสือกกระสนเผื่อจะรอด อย่างคนที่ถูกรถชนเนี่ยนะแม้บาดเจ็บเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะรถเอ้ยวิ่งมาชนอีกรอบหนึ่งเธอมันจะได้ตายไปสักทีเจ็บปวดเลอะเกินเนี่ยมีอย่างนั้นไหมไม่มีรอกเลยนะแม้กระทั่งลุงเรืองก็ว่าไปงั้นแหละบอกอปวดอย่างนี้ตาแเส่งดีกว่าเชื่อเถอะถ้าใครเอามีดมานะก็ะสู้เลยนะลุกขึ้นสู้ต่อเลยจริงอ่ะแม่เอาไม่ไม่กล้าจริงรอกเลยนะเพราะอะไรเพราะสัตว์ทั้งโลกเนี่อรักตัวกลัวตายทั้งนั้นเลยเนี่ยนะเพราะอะไรพวกไม่รู้ไปไหนก็นไม่รู้เนี่ยนะแม้ก็ว่าแม้วังวะปั๊บจับให้ ม่รู้จับไปไหนก็ไม่รู้หายก็ถูกลักพาตัวหนีไปไงไ่ายๆเลยน่ากลัวเงินเพราะฉนั้นผู้ที่ทําบาปทํากรรมเนี่ยนะก็ต้องระลึกพยายามระลึกไว้เสมอว่าบุบาประกรรมเหล่านั้นก็สมบัติติดตามตัวไปพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในคถาธรรมบทว่าถ้าหากว่าฆ่าเอาไว้แล้วนะทําบาปทําอกุศลเอาไว้แล้วเนี่ยให้ท่านไปอยู่บนท้องฟ้าเถอะท่านก็ไม่พ้นจากความตายให้อยู่บนฟ้าเลยนะ บนท้องฟ้าเนี่ยถ้าใครศึกษาเกี่ยวกับเรื่องไอ้สงครามเครื่องบินเนี่ยนะจะรู้ว่าท้องฟ้าหลายๆจุดมากที่มันสัตว์ระเบิดตายบนนั้นอะ่ะไม่ใช่น้อยเลยเพราะหนีไปอยู่บนท้องฟ้าก็าตาย น, น, น, นะระเบิดตายบนท้องฟ้านั่นแหละไปอยู่กลางทะเลบอกทะเลที่ดูเป็นคลื่นเนี่ยนะในนั้นอะ่ะเขามาว่าสัตว์ที่ตายบนผิวทะเลหรือใต้ทะเลเนี่ยอาจจะไม่น้อยกว่าบนบก นะถ้าถ้าใครมีสถิติเกี่ยวกับสงครามที่รบกันทางทะเลเป็นต้นหรือแม้กระทั่งกลุ่มประมงที่ฆ่าสัตว์มันต้องอยู่ให้อยู่ทะเลลึกเลยเขาก็ไปมุดเอามาฆ่าหมดะนะหรืออยู่เป็นมนุษย์หนีไปอยู่บนซอกเขาหนีอยู่ในถ้าเขาก็ระเบิดถ้าตายหมดอ่ะหรือหนีไปอยู่เมืองฐานหินข้างล่างลึกลงไปเป็นกิโลกิโลฐานหินถล่มทับตายไปตั้งเยอะแยะหนีไปอยู่ในตึกตึกก็ถล่มอีกเนี่ยนะตึกก็ระเบิดตึกสรุปว่าตายหมด หนีไปอยู่ตึกเป็นร้อยชั้นก็ไม่รอดเหมือนกันไปอยู่ตรงไหนล่ะที่มันจะพ้นถ้าบาปมันให้ผลห น, นีไปเธออยู่ตรงไหนก็ตายเหมือนกันบอกอยู่ในบ้าน อ, อยู่ในบ้านก็พอดีเป๊ะเลยเหมือนกันเอาหนีไปอยู่ที่ถนนอย่างบางคนเนี่ยนะไม่รู้เดินออกมาให้เขาชนตายทําไมวันก่อนโยมก็เล่าให้ฟังบอกรถผมไม่รู้มันเป็นไรนะใช่ดังใช่รถคันนี้มาเวลาผมขับออกมานกนะัมันก็อยู่เพราะมันเฉยๆพอผมขับรถออกมามันก็วิ่งมาให้ผมชนตายเหมือนกัน น, นะก็นั่นแหละเวลากรรมมันให้ผลก็จะลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเล่าลืมว่าเวลากรรมมันให้ผลเนี่ยเจ็บปวดนะมันให้ผลเป็นทุกนอนาคตแต่ถ้ารักษากุศลเจตนาที่เว้นจากคานฆ่าเจตนาตัวนี้แหละจะเป็นเหตุให้ประสบความสุขและมีอายุยืนยาวต่อไปในอนาคตถ้าเจ้ารู้จักโทษที่เกิดจากการ ไม่งดเว้นจากการเบียดเบียนรื้ว่าโทษของการฆ่าเนี่ยมันให้ผลในปัจจุบันยังไงให้ผลต่อไปในอนาคตอย่างไรถ้าการฆ่าเป็นสิ่งที่ดีก็จะสอนแต่ว่ามันไม่ดีมันไม่ดีในปัจจุบันและต่อต่อไปเนี่ยนะถ้ายาเสพติดมันดีเนี่ยนะเขามาว่าพ่อแม่คงซื้อบ้านซื้อยาเสพติดขายบ้านทั้งหมดแหละเอายาเสพติดให้ลูกบริโภคกันหมดแล้วถ้ามันดีจริงนะ ถ้ามันเป็นเช่นกับยาอมาตะจริงช่วยเหลือได้จริงๆเนี่ยนะรัฐบาลคงไม่แหมคงไม่หามาตรการมาต้องการอะไรถ้ามันมีค่าเหมือนกับยาบำรุงเนี่ยนะและไม่มีภัยพิษภัยทุกโทษฉันใดอันนี้หนักกว่านั้นอีกเพราะมันมีโทษทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพเจ้าจึงรู้คุณรู้ประโยชน์รู้อ น, นิสงส์ที่เกิดจากการเว้นจากการฆ่าแล้วให้งดเว้นจากปานาติบาเสียให้รู้นะว่าฆ่าเจตนาฆ่ามีผลต่อไปใน อย่างไรถ้าเว้นจากการฆ่าได้รับผลได้รับอนิสงฆ์กำไรอย่างไรเสร็จแล้วก็ปรารถนาสุขในสวรรค์ในโลกหน้าได้เจตนาตัวนี้สามารถส่งให้เจ้าแต่นะเข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์เกิดมาจากชาติหน้าก็เป็นผู้ที่มีความสุขมีอายุยืนยาวบเวทผู้ที่เว้นจากบานอ า, าติบาทมาฝึกตนด้วยศีลสมาธิและปัญญา นะมาฝึกตนด้วยคุณธรรมเนี่ยนะย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจในโลกนี้เบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าเขาจะอยู่อ ย, อ, ยอย่างู่ยั้งหรือมีความสุขในสวรรค์เจตนาที่ฆ่าชีวิตชาตินี้ก็เป็นสุขชาติหน้าต่อไปก็สุขติโลกสวรรค์อย่างน้อยที่สุดก็กลับมาเป็นมนุษย์อยู่ที่อยู่อย่างสุขสบายได้รับการดูแลป้องกันอารักขาเป็นอย่างดี ใครใในโลกย่อมไม่ปราถนาทุกขให้ทุกมาถึงแก่ผู้เกิดมาแล้วทุกๆคนใครบ้างไหมแม่แม่เมื่อไหร่นะจะได้เจ็บปวดสักทีหนึ่งเมื่อไหร่จะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นต้นเนี่ยไม่มีใครเขาคิดอย่างนั้นหรอกทุกคนนั่งหาแต่ความสุขนั่งรอความสุขไปหาความสุขทุกคนไปเพื่อต้องการแต่ความสุขยิ่ ง, งขึ้นไปสัตว์ทั้งหมดสแสวงหาความสุขกันทั้งนั้นดูก่อนพญาช้างผู้มีผู้ยิ่งใหญ่ เจ้าจงละการเบียดเบียนเสียเนี่ยนะอย่าไปเบียดเบียนเขาเลยเขาก็ปรารถนาความสุขเพราะฉะนั้นเจ้าจงเจริญแต่เมตตาหวังประโยชน์หวังเกื้อกูลหวังความสุขให้แก่เขาเจ้าจงเจริญกรุณานี่นะหวังที่จะช่วยให้เขาพ้นจากพิษภัยทุกโทษโดยประการทั้งปวงเถิดนะพระ อ, องค์ก็สอนให้พยาชางรักษาศีลนะให้เจริญเมตตาและกรุณาให้รู้ดีรู้ชั่วพระ อ, องค์ก็สอนศีลสมถะ นะสอนศีลสอนเจริญเมตตาสอนกรรมสกตาให้พญาช้างก็ฟังรู้เรื่องนะพญาช้างอัน พ, ธธพนัทโทสปนทรงพร่ำสอนอย่างนี้ก็ได้สามสำนึกสํานึกรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปเป็นผู้ที่ฝึกปรือแล้วเป็นอย่างยิ่งฝึกปรือด้วยศีลฝึกปรือด้วยเมตตาฝึกปรือด้วยกรุณาก็เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิไนนะกําจัดความชั่วทางกายทางวาจาทางใจ เป็นผู้มีจริยาประพฤติสุดจริญด้วยกายวาจาใจเป็นสิทธิของพระพุทธเจ้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าปิยทศัศนีพระองค์นั้นฝึกช้างโทนมุกแล้วนะเป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยฝึกช้างธนาบานหรือช้างนาลาคิริงเนี่ยนะโปรง่งก็แสดงทำโปรดในสมาคมเหล่านั้นทำมาพิสมัยก็ได้มีแกสัตว์8 0,000 ืโกรธ มีผู้ที่บรรลุอริยสัตตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า8ป0หมื่นโกดหลังที่พระองค์ตรัสเล่าให้ภาษารีบุตรฟังในพุทธวงว่าต่อจากสมัยของพระสุชาติพุทธเจ้าผ่านไปสองหมืนนสอง่อร้อยกับเนี่ยนะก็ได้มีพร ะ, ะพระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัสีผู้มีพระย์ใหญ่ผู้นำโลก เป็นผู้ที่เข้าเฝ้าได้ยากพระองค์เสมอด้วยพระพุทธเจ้าที่ไม่มีผู้ใดเสมอพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นมีบริวารยศอันหาประมาณไม่ได้ทรงรุ่งโรจน์ดุดดวงอาทิตย์กำจัดความมืดทุกอย่างประกาศพระธรรมจักรพระพุทธเจ้าผู้มีพระเดชที่ช่างไม่ได้แม้พระองค์นั้นก็ทรงเมียพิสมัยการแสดงธรรมให้สาวกตรัสรู้ใหญ่ใหามครั้งครั้งที่หนึ่งได้มีแกสัตว์แสนโกรธ ส่วนครั้งที่สองเทา้าสุทัศนะเทวราชทรงชอบใจในมิจฉาทิฏฐิยินดีในเครื่องเส้นสวงเลยนะพระศาสดาก็บรรเทามิจฉาทิฏฐิของเ ท, ท้าเทวราชพระองค์นั้นแล้วก็แสดงคำโปรดครั้งนั้นการประชุมของชนนับไม่ได้เป็นมหาสันนิบาตการตรัสรู้ธรรมครั้งที่สองก็ได้มีแก่สัตว์ประมาณ 90,000 โกดครั้งพระศาสดาผู้เป็นสารธีผู้ฝึกนรชนทรงแนะนาพยาช้างโทนมุก อภิสมัยการตรัสรู้อริยสัจก็ได้มีแก่สัตว์ประมาณ 80,000 โกธส่วนนี้ส่วนเกี่ยวกับสาวกสันิบาตการประชุมสักการประชุมภรริยสาวกผู้อรหันต์ทั้งหลา ย, ยมีอยู่สามครั้งเล่ากันว่าในสุมัคลคณ์นครมีสหายสองคนคือพระราชโอรสพนามวา่ปาปาริตะบุตรปุโรหิตชื่อว่าสัพพทสิกุมาร สสหายนั้นเมื่อพระพิยธทัศสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จจาริกอยู่เขาได้สดับข่าวมาว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงพระนครของพระองค์มีบริวารประมาณแสนโกรธก็ออกไปรับเสด็จฟังพระธรรมของพระองค์แล้วก็ถวายมหาทาน7วันวันที่7หลังจากจบอนุโมทนาหลังจากที่พระองค์ชั้นเสร็จแสดงอนุโมทนากถาของพระพุทธเจ้าเพราะอะนะ เจ้าชายพร้อมทั้งสกุมานนั้นและบริวารอีกแสนโกรธก็บวดบรรลุเป็นภาตหันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงท่ามกลางภิสุสาวกเหล่านั้นอันนี้เป็นสนิบาตการประชุมสาวกครั้งที่หนึ่งสมัยต่อมาพระพุทธเจ้ามีสัตว์ประมาณ9ก้าหมื่นโกรธบรรลุอรหัตในสมาคมของเทา้สาสุทัศนเทวราชพระศาสดาอันภิษุเหล่านั้นแวดล้อมก็ยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดง อันนี้เป็นสันนิบาตการประชุมสาวกครั้งที่2ต่อมาอีกในสมัยแนะนำพญาช้างโทนมุกสัตว์8 0 0 0 0โกดบวชแล้วบรรลุพระรหัสพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แสดงปาติโมกย์อนายกปาติโมกขึ้นแสดงท่ามกลางภิกษุสาวกเหล่านั้นอันนี้เป็นสาวกสันนิบาตครั้งที่3ฝ่ายพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะเป็นพรา ม, มานพชื่อว่ากัสปะเรียนจบไตรเพศทั้งอ น, นัครบทั้งห้า รวมทั้งคำพีติหาสัพระองค์ฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาคือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเป็นมนุษกับสปะโคดเนี่ยฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ให้สร้างสังขารา ม, มก็คือสร้างวัดเป็นสถานที่น่ารื่นรมย์อย่างยิ่งด้วยการบริจาคทรัพย์เนี่ยแสนโกรธ น, นะทำบุญบูชาสารณะและศีลก็คือทานสารณะและศีลเนี่ยนะอันนี้ถือเป็นหลักในการปฏิบัติสําหรับชีวิต พระพุทธเจ้าก็พยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าอีก 1,800 กับนับแต่นี้จกเป็นพระพุทธเจ้าในโลกพระนามว่าโคตมะด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังในพุทธวงศว่าสมัยนั้นเราเป็นพระมานพราหมณ์ชื่อว่ากัสปะคงแก่เรียนทรงมนจบไตรเพศเราฟังพระธรรมเทศนาของพระปิยทัศสีพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสให้สร้างสังขารามด้วยซับ แสนโกรธเราถวายอารามนั้นแล้วก็ร่าเริงสลดใจยึยดสารณะและศีลเอาไว้มั่นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับนั่งท่ามกลางสงฆ์ก็สรงพยากรเราว่าผ่านไป 1,800 กับท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้ารายละเอียดก็เหมือนกับที่กล่าวไปแล้วพระโพธิสัตว์นั้นหลังจากได้รับฟังคำพยากรานะ ฝังพระดํารัตของพระพุทธเจ้าปิยทัศนีก็เลื่อมใสอธิษฐานข้อวัดให้ยิ่งยวดยิ่งขึ้นแล้วบําเพ็ญบารมีสิบให้บริบูรณ์รายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัศนีก็มีอยู่ว่าพระนครเป็นที่เกิดของพระองค์ชื่อว่าสุทัญญาพระชนกพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุทัตะพระชนนีพุทธมารดาพระนามว่าสุจันทาเทวี คู่อั ก, กอออระสาวกชื่อว่าปาริตะและพระสัพพัทสีอุปถากชื่อว่าพระโสพิตะเนี่ยนะคู่อักระสาวิกาก็คือพระสุชาดาและพระธรรมทินนาโภพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ชื่อว่าต้นกกุธาต้นกลุ่มพระสรีระสูง82พระชนมายุเก้าหมื่นปีอักรมเหสีพระนางวิมลาพระโอรสพรนามว่ากันจนาเวละ สเสด็จออกอภินีสกลด้วยรถเทียมมา น, นะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะเป็นหลังจากที่บำเพ็ญพุทธกิจก็มีพระบริวารยศหาประมาณไม่ได้พระองค์นั้นมีประหาปุริสลักษณะ3 2ประการสูงประมาณ82ดูเด่นเห็นชัดเหมือนต้นพญาสาระ พระรัศมีรังสีที่พุ่งออกจากพระวรกายของพระปิยัทธสีพุทธเจ้านั้นน่ะรัศมีของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้เสมอรัศมีของพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นเช่นใดรัศมีดวงจันทร์ดวงดว ง, ดวงอาทิตย์หาเป็นเช่นนั้นไม่อย่างมากก็เปรียบว่าอย่างอย่างว่าดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่างออกมาเป็นช่อๆเป็นรัศมีคล้ายๆฉันใดแต่ว่า สิ่งเหล่านั้นก็หาใช่เหมือนกับของพระพุทธเจ้าไม่พระผู้มีพระจักษุดํารงอยู่ในโลกประมาณ9ก0 0 0มืปีพระชนมาายุของพระองค์ผู้เป็นเทพแห่งหมู่เทพพระองค์นั้นเรียกว่าเทวดายิ่งกว่าเทวดาเป็นเทวดาที่เทวดาบูชาอย่างมนุษย์ทั้งหลายเทวดาของหมู่มนุษย์เขาเรียกว่าสมมุติเทพสมมติเท พ, พเหล่านั้นก็นับถือพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระองค์เหนือกว่าเท พ, พเหล่านั้น อุปติเทพทั้งหลายพุทมัเทวดาดาวาจารตุมยะดาวดึงยามาดุสิตเทวดาเหล่านั้นผู้มีเทวดาอีกครั้งหนึ่งเป็นพระพราชาเทวดาเหล่านั้นก็นับถือพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันทั้งหลายเนี่ยนะก็นับว่าเป็นเทพพระพุทธเจ้าก็เป็นเทวดาของพระอรหัน์ทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งนะพระองค์ก็มีพระชนมายุยืน9ก้าหมื่นปี พระพุทธเจ้าพู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าที่ไม่มีผู้ใดเสมอด้วยพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระคู่อักระสาวกหรือปกติสาวกที่ไม่มีผู้ใดเปรียบเทียบเหล่านั้นได้ทั้งหมดเหล่านั้นก็อันตรฐานไปสิน้นเพราะฉะนั้นเมื่อหนึ่งพันแปดร้อยกับที่แล้วก็ไม่เหลืออะไรแล้วบัดนี้สังขารเหล่านั้นก็อันตรทานไปสิน้นสังขารเหล่านั้นก็ว่างเท จากความจีรังยั่งยืนสังขารเหล่านั้นก็ว่างแท้จากสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์มันก็ไม่มีความสุขในสังขารเหล่านั้นที่แท้จริงทุกข์เพราะไม่เที่ยงและไม่มีผู้ใดมีอำนาจในสัพพสังขารเหล่านั้นสังขารเหล่านั้นก็ผ่านไปบัดนี้ก็ผ่านมาแล้ว 1,800 กับต่อไปก็1 8 0่1 8ันแปดเนิ่นานานผ่านตายกลายเป็นหนึ่งอสงไขยพระพุทธเจ้า พระนามว่าปิยทัศ ส, สีผ่านมาแล้วอสองอสองไขสสาอสงไข 100, 000, 000, 000, สี่อสงไขสร0 0 0พันหมื่นแสนล้านอสงไขในที่สุดวันเวลาไม่หวนย้อนกลับมาสังขารทั้งหลายก็อันตรธานผ่านไปเช่นนั้นอันชีวิตของเราทั้งหลายที่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนนได้ศึกษาเรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระนามว่า ปิยะทศีเนี่ยนะว่าพระองค์นั้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้บำเพ็ญบารมี10อุ ป, ปรปารมี10 ป, ร ม, ปรมัภิปรมี10มหาบริจาก5ะนะประพฤติพุทธกาลกะทมจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์อุบัติขึ้นมาในโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์ก็แสดงธรรมให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีพิสมัยการตรัสรู้ครั้งใหญ่ๆประมาณ3ครั้งและก็มี สาวกสันนิบาตสาครั้งพระโพธิสัตว์ของเราก็ได้ไม่พลาดจากการบำเพ็ญบุญในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระโพธิสัตว์ของเราซึ่งในที่สุดพระองค์ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้พพาพระนามว่าโคดมพระองค์ก็ได้สร้างสังขารามสร้างวัดเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็ได้ถึงสารณะนะถึงสารณะถวายทานสมาทานศีล ประพฤติในกุศลกรรมคุณธรรมเรียนรู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าในที่สุดพระองค์ก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าเราได้เรียนรู้ได้ยินได้ฟังอันกุศลธรรมเหล่านี้ก็จะเป็นบุญวาสนาเป็นปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายได้ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตสำหรับวงของพระปิยทัศนพุทธเจ้าก็จบลงแต่เพียงเท่านี้